สภาพของโลกโอปปาติกาที่ว่ามีแผ่นดินแม่น้ำภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่คนในโลกของโอปปาติกามองเห็นหรือสัมผัสได้นั้นได้แก่สภาพโลกมนุษย์นี่เองหรือจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากที่มีอยู่ในโลกมนุษย์คนที่ตายโดยอุบัติเหตุและฆ่าตัวตายมีอนาคตอย่างไรผู้ที่ตายในสงครามจะไปในรกหรือไปสวรรค์ผีหลอกคืออะไร ย ม, มาบาลมีจริงหรือไม่ต้นนิ้วในเมืองนรกมีจริงหรือไม่เมืองนรกอยู่ที่ไหนควรจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องสารพระภูมิภายในวัดจะตั้งสารพระภูมิได้หรือไม่พระภูมิคือใครเทพบุตรแต่ละองค์มีนางฟ้ามากมายจริงหรือไม่เหตุไรการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยวิธีติดต่อวิญญาณและหลางสังหรณ์เหตุใดคนที่ไม่ดี